ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพาระหันพรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารัจนาต่อไปจะถึงเรื่องของอธิคมคือพระนิพพานถามว่านิพพานแปลว่าอะไรแก่ว่า นิพพานแปลว่าทมเป็นที่ดับแห่งกิเลสสักคิเพลิงกีกิเลสและทุกขัคคิเพลิงคือทุกขหมายถึงไฟกิเลสกับไฟทุกข์ราคะความกำหนัดโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงสามอย่างนี้ชื่อว่ากิเลสสักคิเพราะเกิดขึ้นกับจิตทำจิตให้เศร้าหมองขุนมัวด้วย และให้จิตเร่าร้อนกระสับกระสายด้วยจึงชื่อว่ากิเลสคิชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะความแห้งใจปริเทวะความสะอื้นอาลัยทุกข์ความเจ็บทางกายโทมนัสความเสียใจความเจ็บใจอุปายาตความคับแค้นใจเหล่านี้ชื่อว่าทุกขขิเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์และเป็นตัวทุกขเหลือทน เผาสัตว์อยู่ให้เร่าร้อนดังกลองเพลิงจึงชื่อว่าทุกขคิกิเลสคิและทุกขคิเหล่านี้เมื่อถึงพระนิพพานอาศัยพระนิพพานแล้วดับไปและไม่มีในพระนิพพานพระเหตุนั้นนิพพานจึงแปลว่าทมเป็นที่ดับแห่งเพลิงคือกิเลสและเพลิงคือทุกข์เนื่ล่าวว่าเพลิงทุกข์คือชาติและชรามรณะดับไม่มีในพระนิพพานนั้น ให้นักปราชถพึงรู้เถิดว่าขันทั้งห้าคือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในพระนิพพานด้วยเหตุว่าชาติความบังเกิดนั้นคือความมีขึ้นเป็นขึ้นแห่งปัญจขันธ์ชอวาชาติความแก่เก่าสุกรอบแห่งปัญจขันธ์ชอวาชาราเมื่อกล่าวว่าชาติและชาราดับ ก, ก็ได้ชื่อว่ากล่าวว่าปัญจขันธ์ดับไม่มีในพระนิพพาน นี่พระนิพานเป็นวิสังขารปราจจะสังขารคือนามรูปและปัญจขันธ์พระเหตุนั้นพระผู้มีพระพภาคเจ้าจึงตรัสว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังยะดิดังสัปะสังขาระสมะโถสัต บ, บุปถิปฏินิสัตโกตันหะคโยนิโรโทโนิบานังแปลว่าเอตังสันตังธรรมชาตินั้นเป็นของระงับเป็นของละเอียด เอตังปณีตังธรรมชาตินั้นเป็นของประนีอุดมย่ดีดังคือว่าสับะสังขารสมาโถ ท, ทำเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงสับบุปฏิปฏินิสัตโธทำเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงตันหักขโยทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหานิโรโททำเป็นที่เงียบหายก็คือดับนิบานังทำเป็นที่ไม่มีเครื่องร้อยรัด นิพานังนี้ก็แปลว่า ด, ดับเหมือนกันนะแต่นิโรธก็แปลว่า ด, ดับโดยตรงแต่ว่าท่านแปลว่าเงียบหายนิพานังนี้โดยตรงมาจากคาว่านิกวานะไม่มีเครื่องร้อยรัดก็คือตันหาคําเหล่านี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานทั้งสิน้นด้วยคําว่าสั บ, บะสังขารสมโถสั บ, บุปฏิปตินิสกโกนี้แสดงว่าสัรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุภายในคือกุศลากุศล และกิเลสก็ดีและผลภายในคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นวิบากขันก็ดีและเหตุภายนอกมีฤดูเป็นต้นก็ดีและผลภายนอกมีต้นไม้แผ่นดินฟ้าอากาศอาทิตจันเป็นต้นก็ดีไม่มีในพระนิพพานด้วยว่าความเพียรชื่อว่าสังขารกุศลกุศลก็ชื่อว่าสังขารทั้งกุศลและอกุศลก็ชื่อว่าสังขาร สิ่งทั้งปวงที่เกิดด้วยเหตุภายในคือกุศลกุศลดังปัญจขันธ์ก็ดีเป็นผลของกุศลอกุศลก็คือขันธ์ห้านั่นเองและสิ่งที่เกิดด้วยเหตุภายนอกมีฤดูเป็นต้นดังต้นไม้และแผ่นดินเป็นต้นก็ดีก็ชื่อว่าสังขารสังขารทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีในพระนิพพานนิพพานจึงชื่อว่าสัพระสังขาระสมโถเป็นที่ระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวง และกิเลสก็ชื่อว่าอุปทิกุศลากุศลทั้งกุศลทั้งอกุศลก็ชื่อว่าอุปธิปัญจขันธ์ก็ชื่อว่าอุปธิกิเลสกามและวัตถุการก็ชื่อว่าอุปธิอุปธิทั้งพวงเหล่านี้ไม่มีในพระนิพพานอุปธินี้แปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นะนั้นตัวกิเลสก็ทรงไว้ซึ่งทุกข์อะไรเรียกว่ากิเลสสูปทิกุศลากุศลนี่หมายถึง เจตนาในกุศลและอกุศลจะชื่อว่าอุปธิเขาเรียกว่าอภิสังขารูปฏิสงไว้ซึ่งทุกข์นำมาซึ่งความแก่เจ็บตายเหมือนกันตัวขันห้าก็ส่งไว้ซึ่งทุกขเรียกว่าขันทูปธิการมูปฏิการทั้งหลายทั้งกิเลสกามวัตถุกามก็เรียกว่ากามูปฏิสภาพส่งไว้ซึ่งทุกขคือการเหล่านี้ก็ไม่มีในพระนิพพานเลยพระนิพพานจึงชื่อว่าสัปปูปฏิปตินิสัโคโข เป็นที่ตรักคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงอันหนึ่งด้วยคำทั้งสองนั้นแสดงว่าพระนิพพานไม่มีสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นและสันฐานยาวสั้นใดๆและไม่มีที่ประดิษฐานณนะทิศใดณนะตำบนใดไม่มีทมสิ่งใดเป็นอารมณ์แต่เป็นอารมณ์แห่งอริยมรรคปัญญาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เปล่งอุทานวาจาว่า อัติทิคเวตดายะตะนางดูกรทิุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ยัตถะในอายตนะไรเล่าเนวัตวีดินก็หาไม่เลยก็คือไม่ใช่แทนดินณอาโปน้ำก็หาไม่ไม่ใช่น้ำณเตโชไฟก็หาไม่ไม่ใช่ไฟณวาโยลมก็หาไม่ไม่ใช่ธาตุลมด้วยณอากาศานญจายตนางไม่ใช่อากาศ า, านจายตะนะ ณวิญญาณญจายตนงวิญญาณญจายตนะก็หาไม่ณอากินจัญญายตนังอากินจัญญายตนะก็หาไม่ณเนวสัญญานาสัญญายตนงไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยนายังโลโกโลกนี้ก็หาไม่ไม่ใช่โลกนี้ณปโรโลโกโลกหน้าก็หาไม่ณอุโพจันดิมะตุระยาพระจันทราทิศทั้งสองก็ไม่ใช่ตาดะ ปหังพิกเวเนวะอาคติงวดานิดูก่อนพิกจุดทั้งหลายเราผู้ตถาคตย่อมไม่กล่าวเลยซึ่งอายตนะแม้นั้นว่ามีกิริยาอันมาดังมาจากบ้านโน้นถึงบ้านนี้ณคติงเราย่อมไม่กล่าวว่ามีกิริยาอันไปดังไปจากบ้านนี้ถึงบ้านอื่นณขิติงเราย่อมไม่กล่าวว่ามีกิริยาอันหยุดอยู่ ณจุติงเราย่อมไม่กล่าวว่ามีความเคลื่อนณนะอุปติงเราย่อมไม่กล่าวว่ามีความบังเกิดขึ้นอปะติดถังอายตนะนั้นเป็นธรรมไม่ตั้งอยู่ณนะที่ใดหรือไม่มีที่ตั้งว่าอยู่ในทิศใดตำบลใดอปวัตตังเป็นของไม่มีประวติความเป็นไปอานารมณังเป็นของไม่มีธรรมชาติสิ่งใดเป็นอารมณ์ เอเตวันโตดุกขสะนั่นแลเป็นที่ตุดแห่งทุกข์ฉะนั้นพระสูตรนี้แสดงลักษณะแห่งพระนิพพานด้วยคําว่าดินน้ําไฟลมก็ไม่ใช่แสดงว่าไม่มีในพระนิพพานดินน้ําไฟลมเหล่านี้ไม่มีในพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นอรูปธรรมดินน้ําไฟลมนี้เป็นรูปธรรมหาพุทโธสี่ด้วยคําว่าอาการฐานานจายตนะเป็นต้นก็หาไม่นั้นแสดงว่า นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแน่ละเอียดสุ ข, ขุมประหนึ่งว่าจะไม่มีดังเนวสัญญาณสัญญาันาญญาตนะเป็นอรูปอย่างละเอียดก็ไม่มีในพระนิพพานพระนิพพานเป็นอะนามธรรมไม่ใช่อา ร, รมณิกนามธรรมตัวนามอันรกอบด้วยอารมณ์เป็นเครื่องยึดนั้นนามจะมีสองอยา่าง ก็แลในประเภทแห่งธรรมแสดงนามรูปบางแห่งท่งานจัดพระนิพพานเข้าในประเภทแห่งนามธรรมนั้นกระส่งว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์แห่งอริยมรรคปัญญาควรพระอริยเจ้าจะน้อมเข้ามาด้วยจิตอันสมัม ย, ยุญด้วยมรรคและผลได้เท่านั้นใช่แสดงว่าพระนิพพานเป็นอารามนิกะนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างก็คือนามธรรมที่รู้อารมณ์ได้กับนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์นามธรรมที่รู้อารมณ์ก็คือ พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตจัตติกนี่แหละเป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์และกระทั่งมรรคจิตผลรรคจิตก็เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์ได้แต่ว่าพระนิพพานก็จัดว่าเป็นนามเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรแตการน้อมมาของพระอริยเจ้าให้บังเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของมรรคจิตผลรจิตพระนิพพานก็เลยเรียกว่าเป็นนามธรรมเพราะว่าควรแตการน้อมมาแต่ว่าเป็นนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์นั้นนามธรรมจะมีสองอย่างอารมณิกะนามธรรมกับอนารมณิกะนามธรรม ส่วนรูปนั้นเป็นอนารมมณิกะไม่ประกอบด้วยอารมณ์แต่ว่ารูปนั้นไม่ใช่นามตัวอย่างกันนัรูปก็มีรู้อารมณ์นิพพานก็ไม่รู้อารมณ์แต่ว่ารูปนั้นเป็นโลกธรรมนิพพานเป็นนามธรรมนิพพานนั้นเป็นอะนารรมนิกะเป็นภาพที่ไม่ต้องประกอบขับอารมณ์ไม่ใช่เป็นอารมณิกะนามธรรมเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณนี้เป็นอารมณิกนามธรรม และจะแสดงว่าเวทนาสัญญาสงคัญมิญญาณสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีในพระนิพพานก็หาไม่ด้วยคำว่าโลกนี้ก็หาไม่เป็นต้นนั้นแสดงว่าพระนิพพานไม่มีที่ประดิษฐานตั้งอยู่ในทิศใดตมบนใดและไม่ประดิษฐานดำรงอยู่ในทิศใดตำบนใดด้วยคำนี้แหลห้ามความเห็นผิดแห่งพานและชนทุกวันนี้ว่าพระนิพพานเป็นเมืองแก้วอันวิเศษจะเณไปสารสาราิราชัย และห้ามความถือว่าพระนิพพานเป็นดังรูปฟักหรือดังรูปประรมไม่มีจิตตสัญญานอนนิ่งอยู่ในการทั้งปวงด้วยพระนิพพานต้องไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติก็คือไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการไปไม่มีการเคลื่อนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆถามว่าถ้าอย่างกล่าวมานี้ความศูญย์เปล่าไม่เป็นไม่มีแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงหรือเป็นนิพพานตกลงแล้ว นิพพานนี้ไม่ใช่อะไรเลยก็คือความสุนเปล่านนะสิมาไปความสุนเปล่าไม่มีไม่เป็นแหง่งทั้งทั้งพวงนะสิแก้ว่าหาไม่ก็คือไม่ใช่ด้วยถ้าจะว่าความสุนเช่นนั้นเป็นพระนิพพานแล้วใสพระนิพพานก็ชื่อว่ามไม่มีคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่คํานั้นก็ผิดนะสิพระนิพพานเป็นของมีแทจึงเป็นทุกขานิโรธอริยสัต ของจริงของพระอริยเจ้าส่วนหนึ่งเป็นอาสาธารณธรรมไม่ทั่วไปแก่ปุตชนปุุชนไม่อาจเห็นได้เพราะไม่มีดวงตาคืออริยมรรยานพระอริยเจ้าท่านกระทำให้แจ้งเห็นประจักษ์ด้วยอริยมรรยานดังบุคคลผู้ได้เจโตปริยญาณรู้จิตตวาระแห่งผู้อื่นฉะนั้นและปุิชนไม่เห็นทำสิ่งใดจะกล่าวว่าทำสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้ อันหนึ่งถ้าจะว่าพระนิพพานไม่มีแล้วไซสัมมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นซึ่งสงเคราะห์ด้วยไตรสิกขานั้นก็เป็นหมนไม่ออกผลเพื่อให้ถึงพระนิพพานได้อันหนึ่งถ้าจะว่าอริยมรรคไม่เป็นหมนเพราะให้ถึงความไม่มีแห่งปัญจขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในเบื้องหน้าเล่าซ้ายก็ไม่ชอบ เพราะว่าความถึงพระนิพพานในความไม่เป็นไม่มีแห่งปัญจขันธ์ซึ่งเป็นอดีตอนาคตไม่มีอันหนึ่งจะประสงค์ว่าความไม่เป็นไม่มีแห่งปัญจขันธ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นพระนิพพานเล่าสายก็ไม่ชอบเพราะขณะแห่งอริยมรตปัญญาเกิดขึ้นเห็นพระนิพพานนั้นปัญจขันธ์ก็ยังมีปรากฏเฉพาะหน้าอยู่ไม่สูญไปก็เป็นสอุปาริเสสนิพาน อันหนึ่งความถึงสัุปาทิเสสนิพานเล่าก็มีก็เป็นในขณะมัดอาศัยซึ่งปัญจขันซึ่งเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นก็เช่นนั้นก็เวลาที่ท่านบรรลุทุกแจ้งพระ น, นิพพานแล้วยังมีขันห้าเหลืออยู่เนี่ยเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานแต่ความจริงแล้วพระ น, นิพพานไม่ใช่ตัวขันห้าเป็นการแสดงโดยปริยายนะสัุปาทิเสสนิพานไม่ใช่ตัวนิพพาน แต่ว่าหมายถึงเป็นผู้ที่จะจับแจ้งพระนิพพานแล้วแต่ว่ายัางไม่ปริิบัานยังไม่ตายยังมีคันห้าเหลืออยู่ก็เลยเรียกว่าสัปุปาลิเสสนิพพานอันหนึ่งจะประสงค์ว่าความไม่มีไม่เป็นไปแห่งกิเลสเป็นปัจจุบันและเป็นพระนิพพานเล่าไซอริยมรรคก็จะเป็นของไม่มีประโยชน์เพราะว่าก่อนแต่อริยมรรคมังเกิดกิเลสก็ไม่มีไม่เป็นไปอยู่แล้วด้วยอานาจโลกิยะวิปัสสนาปัญญา อันหนึ่งถ้าจะว่าประสงค์ความไม่มีกิเลสเป็นพระนิพพานแล้วไซส์นอนหลับสนิทก็จะเป็นพระนิพพานได้เพราะกิเลสไม่มีในเวลาหลับสนิทนั้นอันหนึ่งถ้าประสงค์ราคะไขความสิ้นราคะโทสะไขความสิ้นโทสะโมหะไขความสิ้นโมหะตามชมพูขาดากะตูดเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในสังยุตติกาสรสศาลายกนวัต บอกว่าความสิ้นราคาโทสะโมหะมาถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกวความสิ้นราคาโทสะโมหะนั่นแหละเป็นความสิ้นไปแห่งทุกข์ถ้าจะเข้าใจว่าเป็นพระนิพพานแล้วไซต์โทษก็มีมากคือพระนิพพานก็จะเป็นอิจตระการมีการเวลานิดหนึ่งครู่หนึ่งแต่เพียงสิ้นกิเลสไปเท่านั้นอย่างหนึ่งก็จะตกลงในลักษณะแห่งสังคตธรรมอย่างหนึ่งก็จะเป็นของได้ด้วยง่าย ไม่พึงถึงสัมมาวายามะก็จะพึงได้ก็แล้วเมื่อตกลงในลักษณะแห่งสังคต ธ, ธรรมและมีการครู่หนึ่งแล้วไซร์พระนิพพานก็จะนับเนื่องเข้ากับสังคตธรรมเพราะเนื่องเข้าไปในสังคตธรรมรก็จะเป็นของร้อนด้วยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เพราะเป็นของร้อนพระนิพพานก็จะเป็นทุกข์ตกลงไม่ใช่หมดเลยนิพพานคืออะไรกันแน่อันหนึ่งราคาดิขัหมายถึงความสิ้นราคาเป็นต้น เป็นพระนิพพานแล้วใสพระนิพพานก็จะมีมากความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะก็จะเป็นพระนิพพานอันหนึ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพระนิพพานก็จะเป็นของหยาบแม้คนผ่านก็จะพึงรู้ได้ด้วยง่ายอย่างหนึ่งพระนิพพานก็จะไม่เป็นอารมณ์แห่งโคตรตรูยานและมักได้อันหนึ่งจะประสงค์ว่าตั้งแต่ความสิ้นกิเลสอันใดไปกเกลียดนั้นไม่เป็นต่อไปได้อีก ความสิ้นกิเลดเช่นนั้นเป็นพระนิพพานเล่าไส้ก็ไม่ชอบเพราะความสิ้นกิเลดเช่นนั้นไม่มีไม่เป็นถ้าหากว่ามีเป็นก็ไม่พ้นโทษ ด, ดังกล่าวมาได้อันหนึ่งพระอริยมตรตก็จะเป็นพระนิพพานไปเพราะว่ามตรตและผลพระผู้มีพระภาคเจา้ากล่าวด้วยชื่อว่าราคัคคโยโดสัคคโยโมหคคโยเหมือนชื่อพระนิพพานก็มีอยู่ราคคคโยโทสัคคโยโมหคคโยถ้าเป็นชื่อแห่งมตรต ต้องแปลว่าทำเป็นเหตุสิ้นไป แ, แห่งราคะโทสะโมหะเพราะการฆ่ากิเลสเป็นกิจแห่งมรรคถ้าเป็นชื่อแห่งผลต้องแปลว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะพระอรหัตผลเกิดในที่ตุดแห่งความสิ้นกิเลสถ้าเป็นชื่อแห่งพระนิพพานต้องแปลว่าทำเป็นที่สิ้นแห่งราคะโทสะโมหะเพราะว่า อิเลสมาถึงพระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์แห่งมรรคแล้วแลสิ้นไปเพราะฉะนั้นคําว่าราคัคคโย โ, โทสัคคโยโมหคโยนี่เป็นชื่อของมรรคก็ได้ผลก็ได้นิพพานก็ได้ถ้าเป็นชื่อของมรรคต้องแปลว่าทําเป็นเหตุสิ้นไปแห่งราคะโทสัมโมหะถ้าเป็นชื่อของผลต้องแปลว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสัมโมหะถ้าเป็นชื่อของพระนิพพานต้งแปลว่าทําเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะโทสัมโมหะนันก็ชื่อเดียวกันได้ทั้งสามอย่าง ตั้งแต่อริยมรรคเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งกิเลสเกิดขึ้นกิเลสไม่เป็นต่อไปได้อีกอริยมรรคจึงเป็นอนุปปตินิโรธ ด, ดับทีเดียวแห่งกิเลสไม่เกิดอีกดับครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเลยเรียกว่าอนุปปตินิโรธความดับโดยที่ไม่กลับมาเกิดอีกส่วนพระนิพพานย่อมเป็นอุปริสัยแก่อริยมรรคนั้นเป็นอารมณ์ให้ดับกิเลสคือว่าเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีกําลังเรียกว่า อารมณ์นูปนิสยปั จ, จัยหรือว่าอารมณนาธิปติปัจจัยนะเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ที่มีกําลังมากแกอาริยมรคนั้นโดยปริยายก็คือโดยอ้อมตัวดับกิเลสจริงๆคือตัวมร์แต่ว่าพระนิพพานเนี่ยชื่อว่านิตมนภประหารด้วยแต่ว่าเป็นอารมณ์ให้มร์ดับกิเลสก็เลยเรียกว่าเป็นการละโดยอ้อม พระนิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าราคัคโยโดสัคโยโมหคคโยทำเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะกล่าวดังนี้ด้วยพระรูปจาระโวหารก็คือกล่าวเหตุด้วยผลกล่าวเหตุด้วยผลกล่าวถึงผลแต่หมายถึงเหตุกล่าวถึงผลแต่หมายถึงเหตุในที่นี้ประสงค์พระนิพพานเป็นเหตุมักเป็นผลก็คือ พระนิพพานนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจัยเป็นอารามณูปนิสยัย ป, ปัจจัยอารามนาธิปติปัจจัยเพื่อจะชี้อธิบายราคัคโยโดสัโยโมหคโยนี้เท่านั้นถ้าจะกล่าวโดยเหตุผลตามอริยสัติจกถามรรคเป็นเหตุพระนิพพานเป็นผลเพราะว่ามรรคเป็นเหตุเรียกว่าสัมปาปการเหตุเหตุที่ให้ถึงไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นนะเแต่ว่าพระนิพพานนั้นไม่เกิดขึ้น แต่ว่าโดยปัจจัยนั้นพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์เป็นเหตุที่ทําให้มรรคกิจเกิดขึ้นมรรคปัญญาเกิดขึ้นแต่ถ้าโดยอริยสัจนั้นพูดถึงเหตุผลโดยแง่ของอะไรที่ต้องกระทําต้องบําเพ็ญอะไรที่เป็นเหตุก็ทุกมันนั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็นิพพานเป็นผลมรรคเป็นเหตุเพราะว่าเมื่อเจริญมรรคก็เป็นเหตุที่ทําให้มีนิพพานปรากฏแจ้งกับมรรค พนิพพานก็กลายเป็นผลไปมรรคก็เป็นเหตุไปอันนี้โดยอริยสัจจกถาอันหนึง่งความว่างเปล่าและความไม่มีไม่เป็นแห่งปัญจขันธ์เป็นต้นและความสักว่าสิ้นไปแห่งกิเลสเป็นพระนิพพานเล่าใส่ที่ไหนพระผู้มีพระพากเจ้าจะตรัสว่าพระนิพพานเป็นของลึกและตรัสว่าเป็นอาศังขตธรรมเล่าพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่าพระนิพพานเป็นของลึกดังนี้คือ ธรรมพีโรจายังธรรมโมธรรมคือพระนิพพานเป็นของลึกดุต ด, ดโสอันบุคคลเห็นด้วยยากุรานุโพโทอันบุคคลตัดสรู้ตามด้วยยากันโตเป็นของระงับปณีโตเป็นของประณีตอตากาวัจโรไม่เป็นที่ลงเที่ยวไปแห่งความวิตกถือว่าปุถิชนจะตรึกนึกคาดชนะนเอาเองไม่ได้นิปุโนเป็นของละเอียด ปันดิตะเวดนิโยเป็นของอันบัณดิตคือพระอริยเจ้าจะพึงรู้แจ้งปุถุชนไม่รู้แจ้งก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอสังคตะธรรมนั้นโดยในหลายอยา่างอธิบายโดยสังเกตดังนี้ว่าทมทั้งปวงกล่าวโดยย่อมีประเภทสองคือสังคต ธ, ธรรมและอสังคต ธ, ธรรมสังคต ธ, ธรรมแปลว่า ทำอันปัจจัยคือฤดูและกุศลากุศลเป็นต้นตกแต่งให้มีให้เป็นขึ้นได้แก่สังขารทั้งปวงดังรูปภายในภายนอกก็ดีและอารามณิกะนามธรรมคือนามธรรมที่ต้องรู้อารมณ์อันเป็นกุศลจนถึงมัชถึงผลก็ดีและอกุศลทั้งปวงก็ดีอัพยาคตะธรรมทั้งปวงก็ดีซึ่งเป็นอารามณิกะธรรมก็ดี ชื่อว่าสังคตะธรรมเพราะประกอบด้วยสังคตะลักษณะสามดังนี้คือหนึ่งความเกิดขึ้นย่อมปรากฏสองความดับไปย่อมปรากฏสามความตั้งอยู่แล้วและแปรไปเป็นอย่างอื่นย่อมปรากฏอันนี้เป็นลักษณะของสังคตะเรียกว่าสังคตะลักษณะสังคตะธรรมก็คือธรรมะที่เกิดจากมีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเองปัจจัยต่างๆแล้วจากตามจิตอุตุอาหารจากปัจจัยยี่สิสี่นั่นแหละ ก็ตรงแต่งทําให้เกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏหน่อยหนึ่งมีความดับไปปรากฏแล้วก็ขณะตั้งอยู่ชั่วเล็กน้อยก็แปลไปอันนี้เรียกว่าสัมคตะลักษณะเพราะประกอบด้วยสังคตะลักษณะสามดังนี้จึงชื่อว่าสังคตะธรรมส่วนอาสังคตะแปลว่าทำอันปัจจัยถึงใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ตกแต่งให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นได้แก่พระนิพพานสิ่งเดียวเพราะพระนิพพานประกอบด้วยอาสังคตะลักษณะสามประการดังนี้ก็คือ หนึ่งความเกิดขึ้นก็ไม่ปรากฏสองความดับไปก็ไม่ปรากฏสามความตั้งอยู่แล้วแปลไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏมันก็หมายถึงพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นมากะจิตภะลจิตก็ยังเป็นสังฆตธรรมอยู่นะัเพราะาอาศัยปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะพระนิพพานประกอบด้วยอสังฆตาลักษณะสามดังนี้จึงชื่อว่าอาสังฆตธรรมความสุนปล่าวความไม่มีแห่งปัญจขันและความสักว่าสิ้นไปแห่งกิเลสนั้น จะเป็นของลึกของเห็นยากสักกี่มากน้อยจะเป็นอสังกตธรรมอย่างไรได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นความโูนเปล่าความไม่มีแห่งปัจจคันหรกนะเพราะเหตุนั้นตราชพึงรู้เถิดว่าพระนิพพานเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งมีอยู่แท้ใช่ความโูนเปล่าใช่ความไม่มีแห่งสังขารใช่ความสักว่าไม่มีแห่งกิเลสเป็นสัมมิพานไม่ใช่ความสูนเปล่าเท่านั้นไม่ใช่ความไม่มีแห่งสังขารเท่านั้น แล้วก็ไม่ใช่ความไม่มีแห่งกิเลสเท่านั้นเป็นของที่ลึกกว่านี้ซึ่งพระอริยเจ้าจะเห็นบอกกล่าวกันยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกับเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองถามว่าพระนิพพานมีอยู่เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่แสดงโดยสรุปชี้องค์พระนิพพานให้ชัดเหมือนอย่างมรรคและผลเล่าแก้ว่าแสดงอย่างนั้นไม่ได้เพราะพระนิพพานเป็นของสุขุมละเอียดนะ ก็แลความที่พระนิพพานเป็นของสุขุมละเอียดนั้นย่อมปรากฏอยู่ด้วยพาให้พระผู้มีพระภาคเจา้ามีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมตอนที่ตัดสรูแล้วเนี่ยนะน้อมใจไปที่จะไม่แสดงธรรมเพราะว่าเห็นว่าพระนิพพานนะเบี่ยงถึงที่ละเอียดข้อปฏิบัติที่จะตามที่ถึงพระนิพพานนั้นก็ลุ่มลึกมากสั ก, กินดีในอะไรมีความขวนขวายติดใจในอะไรอยู่ยากในการที่จะน้อมไปในพระนิพพานนี้ก็เลยน้อมไปในการที่ไม่แสดงธรรมแต่ว่า พระพรหมก็มาอนุเคราะห์องศาสนสัตว์โลกก็เลยมาทูรรัตนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระเจ้าก็เลยตกลงครับนี่มนต์ธรรมนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าด้วยในการที่จะให้พระพรหมมารัตนาสัตว์ทั้งหลายเคารพพรหมก็เลยทําให้ต้องเคารพธรรมด้วยต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมในเวลาเมื่อพระองค์แรกได้ตรัสรู้อย่างหนึ่งปรากฏ พระพระนิพพานเป็นของอันพระอริยเจ้าจะพึงเห็นด้วยตาคืออริยมรรคปัญญาพระเหตุ น, นั้นพระนิพพานจึงเป็นอาสาธารรมะไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนอันหนึ่งพระนิพพานเป็นอัปปะพวะไม่มีแดนเกิดคือไม่มีเงื่อนต้นว่ามีขึ้นครั้งพระพุทธเจ้าองค์โน้นก่อนนั้นไม่มีอันหนึ่งจะว่าพระนิพพานเป็นปะพวะมีทำเป็นแดนเกิดเพราะพระอริยมรรคให้เกิดขึ้นเล่าไซก็ไม่ชอบ ด้วยพระนิพพานนั้นเป็นของอันพระอริยเจ้าจะพึงถึงพึงได้ด้วยอริยมรรคต่างหากมิใช่เป็นธรรมอันพระอริยมรรคให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นพระนิพพานไม่ได้เกิดจากอริยมรรคแต่ว่าอริยมรรคทำให้เห็นพระนิพพานเท่านั้นเป็นสัมปะพะกะเหตุเป็นเหตุที่ทาให้ถึงพระนิพพานจั่ว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วเพราะเหตุนั้นพระนิพพานจึงเป็นอัปปะพะวะไม่มีแดนเกิด เพราะพระนิพพานไม่มีแดนเกิดจึงเป็นอัชารามาราณะไม่มีความแก่ความตายเป็นอชาราด้วยอามาตะด้วยไม่แก่ไม่ตายเพราะไม่มีธรรมเป็นแดนเกิดและไม่มีความแก่ความตายพระนิพพานจึง เ, เป็นธรรมอันเที่ยงเพราะเหตุดังกล่าวมานี้แหลพระนิพพานจึงเป็นของมีอยู่โดยแท้มีอยู่โดยเป็นปรมัตุกเพราะเป็นธรรมอันบุคคลจะพึงได้ด้วยญาณวิเศศ ซึ่งสำเร็จด้วยความเพียรอันไม่ย่อย่อนอันหนึ่งพราะคำแห่งพระพุทธเจา้าผู้เป็นสัพพัญญูตรัสดังนี้ว่าอัตถิทิคเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายมีอยู่โดยแท้อาชาตังคือธรรมชาติชื่อว่าอาชราเพราะเป็นของใช่ธรรมอันเกิดขึ้นด้วยประชุมพร้อมแห่งเหตุและปัจจัยอภูตังคือธรรมชาติที่ชื่อว่าอภูตังเพราะไม่ใช่ธรรมเว้นจากเหตุ ก็คือเพราะใช่ธรรมเว้นจากเหตุเป็นขึ้นเองก็คือไม่ใช่ธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดอภูตังอากตังคือธรรมชาติที่ชื่อว่าอากะตะเพราะเป็นของอันเหตุสิ่งใดไม่ได้กระทำไม่ต้องมีการกระทำตรงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเดชพิหารไม่เกิดอสังคตังคือธรรมชาติชื่อว่าอสังคตะ เพาเป็นของอันเหตุและปัจจัยสิ่งใดไม่ได้แต่งขึ้นด้วยพุทธวจนะดังนี้ปราดพึงรู้เถิดว่าพระนิพพานเป็นของมีแท้ด้วยคําว่าพระนิพพานเป็นของอันบุคคลพึงได้ด้วยยาณวิเศษนั้นแสดงว่าพระนิพพานเป็นปัจจักขะสิทธิสําเร็จโดยประจักรแจ้งแก่พระอริยเจ้าจําพวกเดียวด้วยอ้างสัพพัญยูวจนะนั้นแสดงว่าพระนิพพานเป็นอนุมานสิทธิ สำเร็จแก่ปุถุชนโดยอนุมานคาดคะเนว่ามีตามพระพุทธวจนะโลกิยะปัญญาซึ่งจะเห็นพระนิพพานก็มีอยู่แต่โคตรภูญานอันเกิดในชวนาวาระเบื้องต้นแห่งมรคะชวนวาระซึ่งไม่คืนมาเป็นโลกิยะปัญญาอีกนอกนั้นโลกุตระปัญญาคือมรคยานพลญานอย่างเดียวเห็นพระนิพพาน การจะเห็นพระนิพพานแจ่นแจ้งจริงๆเป็นปัจจักคสิทธิจะต้องรู้โดยการประจักษ์แจ้งจากการอบรมเจริญโทนาเจริญไตราสิกขาอบรมตรสิกขาให้บริบูรณ์เนี่นะแต่ว่าตอนนี้เมื่อ ย, ยังไม่ประจักษ์แจ้งก็เป็นอนุมานสิทธิสำเร็จโดยการอนุมานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อศึกษาดีแล้วเข้าใจว่ามีขันห้าขันห้าแปดปรวนเกิดดับเป็นทุกข์ในเที่ยง นั่นก็น้อมไปสู่กรรมแก่เจ็บตายตรงกันข้ามกับขันห้าก็คือพระนิพพานนี่แหละต้องไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็โดยการอนุมานอย่างเนี้ยนะเมื่อมืดมีสว่างก็มีเมื่อร้อนมีเย็นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นการเกิดมีการไม่เกิดก็ต้องมีนั้นพระนิพพานนั้นมีอยู่แน่นอนขอให้จิตน้อมไปในพระนิพพานแล้วก็น้อมไปในการที่จะเจริญข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงพระนิพพานก็คือไตรสิกขา นิพพานะวิภาวนาอธิคมาสัทธรรมกถาจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของอธิกมสัตธรรมก็คอยท่านทั้งหลายได้ผู้ที่อบรมปฏิบัติสัทธรรมโดยการศึกษาปริยัติสัทธรรมน้อมนำมาในการเจริญเพื่อได้อธิกมสัทธรรมในที่สุดขอยบรรลุอริยมรรคอริยผลด้วยการไม่เนื่องช้านี้ทุกท่านหรือเชิญสาธุสาธุสาธุ